3. ปริญญาวานหนึ่งปัจจุปันนาวานอนุโลมบุคคลจากขุนทริยมูลกไนสอย435อนุโลมปุชชาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จกักขุนสี่บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้โสวตินสี่ใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโดมปุชชา บุคคลใดกําลังกําหนดรู้โสตินสีบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จกักขุนสีใช่ไหมพิจัชนาะใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังกําหนดรู้จกักขุนสีบุคคลนั้นก็กําลังกำละโมทมานตินสีใช่ไหมพิจัชนาะไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังละโทมานตินสี บุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมพิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังกําหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็กําลังกำจเจริญอนัญญาตัญญสามีตินศีใช่ไหมพิจัชนาไม่ใช่ปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินศีบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังกําหนดรู้จักขุนศีบุคคลนั้นก็กําลังกำจเจริญอันยินศีใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังเจรินอันยินศีบุคคลนั้นกําลังกําหนดรู้จักขุนศีใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังกําหนดรู้จักขุนศีบุคคลนั้นก็กําลังทําให้แจ้งัญญาตาวินรี์ใช่ไหม วิจัชนาะไม่ใช่ปฏิรมปุชฌาบุคคลใดกําลังทําให้แจ้งัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จกักขุนตรีใช่ไหมวิจัชนาะไม่ใช่จกักขุนตริยมูลกนัยจบโทมานตินตริยมูลกนัยสี่้อสามสิบอนุโรมปุชฌา บุคคลใดกําลังละโทมานติสินสีบุคคลนั้นก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญัสามีตินสีใช่ไหมพิจัชนาไม่ใช่ปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสามีตินสีบุคคลนั้นก็กําลังละโทมนัิสินสีใช่ไหมพิจาชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังละโทมนัิสินสีบุคคลนั้นก็กําลัง เจริญอัญญินรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาบุคคลใดกําลังเจริญอัญญินรีบุคคลนั้นก็กําลังละโทมนัสสินรีย์ใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลสองจำพวกกําลังเจริญอัญญินสีแต่ไม่ใช่กําลังละโทมนัสสินสียบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมัก ก, กาลังเจริญอัญญินสียและกําลังละโทมนัสสินสีย อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังละโทมนัสสิน4ีบุคคลนั้นก็กำลังทำให้แจ้งอันญาตาวินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังทำให้แจ้ ง, นสสจงอนญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่โทมนัสสินทริยมุรการัยจบ อนัญญาตัญญสสามีตินสี่มูลกนัย437อนุโลมปุชขาบุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินสี่บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอนันยินสี่ใช่ไหมพิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุชขาบุคคลใดกำลังเจริญอนยินสบุคคลนั้นก็กำลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีใช่ไหมพิจัดชนาไม่ใช่ อนุโปุชชาบุคคลใดกําลังเจริณนานัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินทรีใช่ไหมวิจัดชนาะไม่ใช่ปฏิโลมปุชชาบุคคลใดกําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินรียบุคคลนั้นก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีใช่ไหมวิจัดชนาะไม่ใช่อนัญญาตัญญสสามีตินสีย ตริยมูลกนัยจบอัญญินตริยมูลกนัย4ี่อสาสิบอนุโลมปุชชาบุคคลใดกำลังเจริญอัญญสี่บุคคลนั้นก็กำลังทำให้แจ้งอนญาตาวินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุชชาบุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินวสนบญญาานีบุคคลนั้นก็กำลังเจริญอัญญรี่ใช่ไหม วิจัชนาไม่ใช่อัญญนตรียะมุรกไนจบปัจจเนิกะจากขุนตริยะมุกจจกะกรมกไนสย439อนุโรมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จกักขุนสี่บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี่ใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามีมกักไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จกักขุนสี่ แต่ไม่ใช่ไม่กําลังละโทมานติสินสีเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงได้มรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขุนสีและไม่ใช่กําลังละโทมานติสินสีปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังละโทมนัิสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้อรหัตมรรคไม่ใช่กําลังละโทมานติสินสี แต่ไม่ใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีีเว้นบุคคลสองจำพวกขูดพร้อมเพลียงด้วยมรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังละโทมานตินศรีและไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนศรีอนุโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริอนัญญาตัญญสามีตินศรีใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลที่8ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนศี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 บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยรหัตมักไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีแต่ไม่ใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีเว้นบุคคลสองจาพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีและไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีอนุรมปุจฉา บุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขุนศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจรินันยินศีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่กําลังเจรินันยินศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขุนศีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชา บุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัตชนะบุคคลใดทาให้แจงอรหัตผลบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จจกขุนสีแต่ไม่ใช่ไม่กำลังทำให้แจ้งัญญาตาวินสีเว้นบุคคลผู้พร้อมเรียงไดอรหัตมักและอรหันตบุคคลแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขุนตรีและก็ไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินศรีปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินศรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขุนตรีใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้รหัตมักไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินศรีแต่ไม่ใช่ไม่กําลังกําหนดรู้จักขุนศรี เว้นบุคคลผู้พร้อมเพียงได้รหัตมรคและอรหันตาบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังทาให้แจ้งอญญาตาวินสีและก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จกักขุนสีจกักขุนตริยมูลกนัยจบโทมนัสินตริยมูลกนัย440อนุรมปุชขาบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสินสี บุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริณาัญญาตัญญสสามีตินสีใช่ไหมวิจตชนาบุคคลที่8ไม่ใช่กําลังลัโทมนัตตินสีแต่ไม่ใช่ไม่กําลังเจริณาัญญาตัญญัสสามีตินสีเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมพเพลียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังละโทมนัตตินสีและก็ไม่ใช่กําลังเจริณาัญญาตัญญสสามีตินสีปฏิโดมปุจฉา บุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริณาัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังลัทธโอมนัตตินรียใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้อนาคามิมักไม่ใช่กําลังเจริณาัญญาตัญญสสามีตินสียแต่ไม่ใช่ไม่กําลังลัธโอมนัตตินรียเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงได้มักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังเจริณาัญญาตัญญสสามีตินสีและก็ไม่ใช่กําลังลัธโอมนัตตินสี อนุรมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังลัทธุมนัสสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริญอัญยินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกไม่ใช่กําลังลัทธมนัสสินสีแต่ไม่ใช่ไม่กําลังเจริญนัญยินสีเว้นบุคคลสามจำพวกผูปพร้อมเปรียงได้มักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังลัทธมนัสสินสีและก็ไม่ใช่กําลังเจ ร, ริญอัญยินสีปฏิรมปุจฉา บุคบคลใดไม่ใช่กำลังเจรนันยินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนตสสินรีใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินรีใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังละโทมนตสสินสีแต่ไม่ใช่ไม่กาลังทาให้แจ้งัญญาตาวินรี เว้นบุคคลผู้พร้อมเปลี่ยนด้วยอนาคามิมักและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังรัโทมนัตสิสีและก็ไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอนญาตาวินสีปฏิโดมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังรัโทมนัสติสีใช่ไหมวิจชนาบุคคลผู้พร้อมเปลียงได้อนาคามิมักไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอนญาตาวินสี แต่ไม่ใช่ไม่กำลังละโทมนติสินสีเว้นบุคคลผู้พร้อมเพียงได้อนาคามมมักและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอนยาตาวินสีและก็ไม่ใช่กำลังละโทมนติสินสีโทมนนติสินทริยะมูลกนัยจบอนัญญาตัญญสามีตินสีมูลกนัย4ี่อสิบเอดอนุโลมปุชขาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสี บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญชีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกผู้พร้อมเพรียงได้มักไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีแต่ไม่ใช่ไม่กําลังเจริญอนยัญชีเว้นบุคคลสี่จำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีและก็ไม่ใช่กําลังเจริญอนยัญชีปฏิโดมปุชฌา บุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริอนันยินทรียบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลที่8ดไม่ใช่กําลังเจริญนันยินรียแต่ไม่ใช่ไม่กาลังเจริณาัญญาตัญญสสามีตินสีเว้นบุคคลสี่จำพวกผู้พร้อมเปลียงได้มักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังเจริญนันยินรียและก็ไม่ใช่กําลังเจริณาัญญาตัญญสสามีตินรี อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอญญาตาวินรียใช่ไหมวิจัชนาบุคคลใดกําลังทําให้แจ้งอรหัตผลบุคคล น, นั้นไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีแต่ไม่ใช่ไม่กําลังทําให้แจ้งอัญาตาวินรีเว้นบุคคลที่8และอรหันตบุคคลแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีและก็ไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอนาตาวินรีปฏิโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอนาตาวินรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลที่8ดไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอนาตาวินรี แต่ไม่ใช่ไม่กําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินสีเว้นบุคคลที่8และอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอนัญญาตาวินสีและก็ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีอนัญญาตัญญสสามีตินทริยมูลกนัยจบอัญญทริยมูลกนัย442อนุโลมปุชชา บุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริญอัญญสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาบินทรีใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลใดกําลังทําให้แจ้งอหารหัตาผลบุคคลนั้นไม่ใช่กําลังเจริญอัญญรียแต่ม่ใช่ไม่กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีเว้นบุคคลสามจำพวกผู้พร้อมพเพรียงด้วยมรรคและอรหันหตบุคคลแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังเจริญอัญญีสีและก็ไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอนญาตาวินสีปฏิโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญียีใช่ไหมวิจาชนาบุคคลสามจพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอนญาตาวินสีแต่ไม่ใช่ไม่กาลังเจริญอัญญีสี เว้นบุคคล3ามจำพวกผู้พร้อมเพรียงได้มากและอรหันตาบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอญญาตาวินรีและก็ไม่ใช่กำลังเจรนา ญ, ญ, ญินสีอนยินตริยมูลกนัยจบ 2. อตีตะวานอนุโลมจกักขุนตริยมูลกนัย4 4 3อนุโลมปุจจา บุคคลใดเคยกําหนดรู้จ okay? sí. ักขุนศีบุคคลนั้นก <milk> ็เคยละโทมนัิสินศีใช่ไหมวิจาชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดเคยละโทมานติสินศีบุคคลนั้นก็เคยกําหนดรู้จักขุนศีใช่ไหมวิจาชนาบุคคลสองจำพวกเคยละโทมนัิสินศีแต่ไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศีอรหันตับุคคลเคยละโทมนัิสินศีและก็เคยกําหนดรู้จักขุนศีอนุโลมปุจฉา บุคคลใดเคยกำหนดรู้จักขุนสรีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินศรีใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินศรีบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขุนสรีใช่ไหมพิจาชนาบุคคลหกจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินศรีแต่ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสรี อรหันตบุคคลเคยเจรณาัญญาตัญญัสามีตินสีและก็เคยกำหนดรู้จักขุนสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็เคยเจรินณาญินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญาญินสีบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉา บุคคลใดเคยกําหนดรู้จักขุนศรีบุคคลนั้นก็เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินทรีใช่ไหมพิจัดชนาบุคคลใดทําให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นเคยกําหนดรู้จักขุนศรีแต่ไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินศรีบุคคลใดเคยทําให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นเคยกําหนดรู้จักขุนศรีและเคยทําให้แจ้งัญญาตาวินศรีปฏิโรมปุจฉาบุคคลใดเคยทําให้แจ้งอัญญาตาวิานศรี บุคคล น, นั้นก็เคยกําหนดรู้จกักขุนตีใช่ไหมพิจัชณาใช่จกักขุนตริยะมุรกาัยจบโสมนัสสินตริยะมุรการิย444อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยละโทมนัสสินสี่บุคคล น, นั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสี่ 4, ใช่ไหมพิจัชณาใช่ปฏิโดมปุชชา บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสี่บุคคลนั้นก็เคยละโทมานตินรีใช่ไหมวิจาชนาบุคคลสี่จำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสี่แต่ไม่ใช่ไม่เคยละโทมานตินสีบุคคลสามจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสี่และก็เคยละโทมานตินสีอนุโลมปุตชาบุคคลใดเคยละโทมนานตินสี บุคคลนั้นก็เคยเจริญนยินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกเคยละทูมานตินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญนยินสีอรหันตบุคคลเคยละทูมานตินสีแล้วก็เคยเจริญนยินสีปฏิโลมปุจฉ้าบุคคลใดเคยเจริญนยินสีบุคคลนั้นก็เคยละทูมานตินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉ้า บุคคลใดเคยละโทรมนัตตินรีบุคคลนั้นก็เคยทําให้แจ้งอญยาตาวินทรียใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกเคยละโทรมนัสติรียแต่ไม่เคยทําให้แจ้งอญยาตาวินรีอรหันตับุคคลเคยละโทรมนัตติสีและก็เคยทําให้แจ้งอนญาตาวินรีปฏิโลมปุชชาบุคคลใดเคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินทรีบุคคลนั้นก็เคยละโทรมนัตติรีย์ใช่ไหม วิจัชนาใช่โทมนณสินตริยะมูลกนัยจบอนัญญาตัญญัสสามีตินทริยะมูลกนัย445รอิหอนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอนยินสีใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลหกจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีแต่ไม่เคยเจริญอนยินสี อรหันตบุคคลเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินสีและก็เคยเจริญอัญญินสีปฏิโดมปุชชาบุคคลใดเคยเจริญอัญญินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจําพวก เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีแต่ไม่เคยทำให้แจ้งอนยตาวินสีอรหันตบุคคลเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีและเคยทำให้แจ้งอนยตาวินสีปฏิโรมปุชฉาบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอนยตาวินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีใช่ไหมพิจัชนาใช่อนัญญาตัญญสสามีตินตริยมูลกนัยจบ อัญญินตริยมูลกนัยสี่้อสี่สิหอนุโลมปุชชาบุคคลใดเคยเจริญอัญญีรี่บุคคลนั้นก็เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลใดเคยทําให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นเคยเจริญอัญญีสี่แต่ไม่ใช่ไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลใดเคยทําให้แจ้งอรหัตตผลบุคคลนั้น ก็เคยเจริญอัญญินทรียและก็เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิโมปุชชาบุคคลใดเคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอันยินรีใช่ไหมวิจัตชนาใช่อัญญทาริยมุรกักกไนจบปัจจนีกะจกุนทริยมุรกักกไนสี่อยสี่อนุโลมปุชชา บุคคลใดไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศรีบุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมานติสินศรีใช่ไหมพิจาดชนะบุคคลสองจำพวกไม่เคยกําหนดรู้จักขุนสีแต่ม่ใช่ไม่เคยละโทมานติสินศรีบุคคล6จําพวกไม่เคยกําหนดรู้จักขุนสรีและก็ไม่เคยละโทมานติสินศรีปฏิโดมปุชชาบุคคลใดไม่เคยละโทมานติสินศรีบุคคลนั้นก็ไม่เคยกําหนดรู้จักขุนสรีใช่ไหม วิจัตชนาใช่อนุโลมปุชชาบุคคลใดไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศรีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินศรีใช่ไหมวิจัชนาบุคคล6กจาพวกไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศรีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินศรีบุคคลสองจำพวกไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศรีและก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินศรีปฏิโลมปุชชา บุคคลใดไม่เคยเจริญนันญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ อนุโลมปุจฉั่บุคคลใดไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศรีบุคคลนั้นก็ไม่เคยทําให้แจ้งอนญาตาวินศรีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉั่บุคคลใดไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินศรีบุคคลนั้นก็ไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศรีใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลใดทําให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นไม่เคยทําให้แจ้งอนญาตาวินศรีแต่ม่ใช่ไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศรี บุคคล8ปดจำพวกไม่เคยทำให้แจ้งัญญาตาวินสีและก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสีจะกขุนตรีมูลกนัยจบโทมนัสสินตรีมูลกนัยสี่ร้อยสี่ิบแอนุโลมปุจฉชาบุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลสีจำพวกไม่เคยละโทมนัสสินสี แต่ม่ใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลสองจำพวกไม่เคยละทูมนัสสินตีและไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีปฏิโดมปุชชาบุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยละทูมนัสสินตีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชา บุคคลใดไม่เคยละโทมานติสินรีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญรีใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโรูปปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญรีบุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมานติสินตีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกไม่เคยเจริญอัญญรีแต่ไม่ใช่ไม่เคยละโทมานติสินตีบุคคลหกจำพวกไม่เคยเจริญอัญญรีแล้วก็ไม่เคยละโทมนัิสินตีอนุโลมปุจฉา บุคคลใดไม่เคยละทูมนัสสินรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยทําให้แจ้งอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิรมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยทําให้แจ้งอนญาตาวินรีบุคคลนั้นก็ไม่เคยละทูมนัสสินรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลสามจําพวกไม่เคยทําให้แจ้งอนญาตาวินรีแต่มิใช่ไม่เคยละทูมนัสสินสีย บุคคลหจำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแล้วก็ไม่เคยละโทมันสินสีโทมนั น, นสินตริยะมูลกานัยจบอันัญญาตัญญัสามีตินตริยะมูลกานัย4ี่อนุโลมปุจ ช, ชาบุคคลใดไม่เคยจเจริญอันัญญาตันยศสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยจเจริญอนัญญรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชา บุคคลใดไม่เคยเจริญนันยินทรียบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญนันญาตัญญัสสามีตินสียใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกไม่เคยเจริญนันยินรียแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินสียบุคคลสองจำพวกไม่เคยเจริญนันญินสียและก็ไม่เคยเจริญนันญาตัญญัสสามีตินสียอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญนันญาตัญญสสามีตินสีย บุคคลนั้นก็ไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินรียใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาบุคคลใดไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสียใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจำพวกไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลสองจำพวก ไม่เคยทําให้แจ้งอัญาตาวินรียและก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีอัญญาตัญญสสามีตินทรีะมูลกันใยจบอัยินทรีะมูลกันในสี่ยห้าอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญอัยินรีบุคคลนั้นก็ไม่เคยทําให้แจ้งอนญาตาวินทรียใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา บุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งัญญาตาวินศีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญศีใช่ไหมพิจัตนาบุคคลใดทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งัญญาตาวินศีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอัญญรีบุคคลแปดจำพวกไม่เคยทำให้แจ้งัญญาตาวินศีและก็ไม่เคยเจริญอัญญรีอัญญตริยมูลกนัยจบ